ทำที่นายไม่สามารถที่จะรับรองก็ได้เลยพระเจ้าสอนงั้นนนั่ผิดพระเจ้าสนงั้นผิ ด, นนผดฉั น, นั้นไม่ถูกเห็นนระกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่นี่เทวบุตรเทวดาเปรตผีอะไรพูดผิดต่างๆนีไม่มีนี่นี่คือ ล, ะละบล้างแต่งหน้ า, าออกมาแสดงมาจากความโง่เง่าของอตัวเองมืดบอดของตัวเองนีน่แล้วคนตาดีใครจะใครจะเชื่อได้เชื่อคนตาบอดโ ก, กง คนโง่คนฉลาดจะไปเชื่อคนโง่ได้หรือคนฉลาดไปเชื่อคนโง่หายากมากถ้าไม่มีคนตาดีเชื่อคนตาบอดมีได้ที่ไหนคนหูดีเชื่อคนหูหอเก็เชื่อเป็นแต่ไม่ได้หลักธรรมเฮ้ยเจ้าเอามาจากความฉลาดแหลมคมของผมจะแพ้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผองหาที่ตาําหนิดไม่ได้เลยรู้สิ่งใดก็รู้ด้วยขยนันริ้วัญญา ดีชาสา ม, มารถจริงๆไม่ใช่รูปแบบสุ่มแบบเรามัอนโลกที่มีเสลย์อันเป็นเครื่องสุ่มเราแต่มีในหัวใจนี้แสดงมาอะไรนีกับเรื่องรูปคำคำหาความเนี่ยนอนไม่ได้แล้วเราจะเอานี้ไปเป็นแบบฉบับสอนโลกเป็แบบฉบับสอนผู้ใดได้สอนตัวเองไปอลำดับไม่ได้แบบนี้นี่จะทําลายตัวเองโดยลาดับลำดับเป็นอย่างนี้เพราะของแต่ละอย่างๆมันมีเครื่องรักกันมันถึงจะรับได้ ยิ่ดูอย่างเห็นก่อนวิทยุโทรทัศน์มันี้ได้มันไม่เห็นมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็ซีน่าที่นั่นมันมีว่าจะมันเป็นมาได้จากของมีอยู่ไม่ใช่สิ่งเหนี้ไม่มีอขอแต่ปรับปรงุงให้มันถูกกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เห็นมันก็รู้ได้เออรับปิดได้เหลือสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นแต่ก่อนน้อยมีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้ถึงวิทยุไม่เราไม่สามารถปรับตรงเครื่อง สร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็รับไม่ได้เพราัถ้ามันก็รับไม่ได้เดี๋ยวนี้ทําที่ไหนมันรับได้หมดดูสิอริยนายเชื่อไหมหนะ่อยปัจจุบันนี้ก็เห็นลัทธทัดอยู่แล้วนี่ออกมาจากโสมนุษยหรือออกมาจากคนฉลาดเรื่องเหล่านี้เพียงโลกเขาฉลาดเขาก็เห็นทำให้แปลกจากเราผู้เป็นโสมนุษย์อย่างนี้เห็ได้อย่างชัดชัดและเห็นได้พระพุทเจ้าซึ่งเป็นผู้เหนือโลกอีกด้วยแล้วและธรรมก็เป็นธรรมเหนือโลกเลยแล้วทําไมจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราจะไปเอื้อมเราทํามันเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยความมืดบอดของเรานี้ได้เหรอมันถูกต้องเลยนี่เพียงเท่นี้ก็สลดสองเลือดเราฟังที่ก็พูดนะนี่แต่ความสลดของเลือดโอ้ปวดไม่ได้สัตว์จำพวกนี้เท่านั้นแหละขายก า, ารทำองค์พระเจ้านี่ครอบไม่ได้แล้วหมดหมดที่สายถ้าเป็นโรคก่โรคประเภทไอซียคอยแต่ลมหายใจมันจะหมดไปทรงนั้นเลยมันมีทางแก้ไขย า, ยายาอย่างอื่นไม่หายได้เลย สรรพปรเภลบบุญลบบาปลบนรกสวรรค์นิพพานลบผูดผีอะไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันนั้นให้เป็นของศูญหายไปหมดไม่มีว่แสดงว่าคนนั้นหาสาระอะไรไม่ได้เลยทัหมดความหมายมันจะมีชีวิตอยู่เหลือเป็นลมหายใจฟอดฟอดฟอดเท่านั้นนั่นไม่ยอมรับตามสิ่งตามขั้นตอนของสิ่งที่มีตามเพศตามผู้จะดูช้างกับคน อะไรใหญ่กันโตกันสิแล้วคนกับหนูนะอะไรโตกันรับเราไปฏิเสธมันได้ไ้ยหนูมันตัวเล็กคนมันตัวใหญ่ช้างมันตัวใหญ่กว่าคนฮะพวกยุงพวกหมัดพวกเห็บตัวนี้มันตัวเล็กกว่าคนเห็นไหมไดัไหมันเป็นขั้นตอนขั้นตอนของมันอย่างนั้นแล้วยิ่งที่ถือว่าเชื้อโรคอ่าเช่นเชื้อไรัสถต้น สามารถมองเห็นโดยตาได้เราปฏิเสธว่าเชื้อโรคนี้ไม่มีได้ไหมใครปฏิเสธว่าเชื้อโรอคนนี้ก็เอาน้ําที่เต็มไปได้วยโรคอิวามากินกันดูที่มันตายน่นะเราพ่ น, นารณ์ซิในเชื้อโรคนี้มีอะไรที่เป็นนิสัยที่จะตรวจได้รู้ได้เห็นได้เ่ราะกล้องนะที่ถ้าไ ม, ไม่ใช่ตามเมื่อยเฉยต้องใช้เครื่องน่นอันนี้พวกกล้าทิพเป็เห ม, มือนกัน ก็ใช้ตาทิปเลอสิเสียงทิปก็ใช้หูทิปเลยสินั่นมีเครื่องเรามีแต่หูหนังแล้วยังบาดหนวกด้วยตาเนื้อนี่ก็ยังซ้าฟางด้วยแล้วจะไปอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าหรือไงนีมีธรรมนุษย์เราโม่สรมันนี่อวดฉลาดคนเราคนจฉลักจริงๆไม่อวดโน้นถึงกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเถาหัวใจอยู่งั้นก็ถือเป็นของดีได้ ทานที่นักป่าท่างหลายท่านขยักขยแยงาที่สุดทีเดียวเราก็ยังถือเป็นของดีมันต่างกันอย่างไรระหว่งางพระราหันท่านกับพวกเราคำโลกเราถือเป็นของดีได้โลกทอไลายยิ่งดีโลกเอาคนอื่นของอื่นได้ยิ่งดีโครโงรีดแทงค น, อ, นคงอื่นได้ด้วยอำนาจป่าปาเป็นถื่อนต้นแบบเปรตแบบผีแบบยักษ์นี่คนหน้ายิ่งดียิ่งดียิ่งดีได้โกดขยิ่แล้วก็ยิ่งดีที่าหาที่หลงไปจนกระทั่งวันตายยิ่งดี มันเป็นอย่างนี้มีแต่เรืองยิ่ดียิ่ดีถ้าเป็นของชั่วแล้วมันว่ายิ่งดีเท่งนั้นถ้าเป็นของดีแล้วมันมาเป็นของชั่วมันกลับตระตรัดกันนี่แหละคนเดียวคนชั่วมันผิดกันหย่งนี้เราดูเอาขี่หมามเข้าใจว่าหอมไปแล้วต่อไปจะเอาขี่หมา ม, มากินก็ข้าวง่ามอาหารตัางๆที่เคยเป็นอาหารมนุษย์นี่จะไม่ยอมกินอแต่ปฏิเสธแต่กันระวังกันเมื่อมันจิดการมันต่ำนะเข้าหนักเข้ า, ขามันจะเป็นอย่างนั้น อะไรเป็นของชั่วมันเศษแต่มาเป็นของดีอะไรเป็นของดีมันเหยียบย่ำธาราเป็นของชั่วทีนี้ก็เหลือตั้งแต่ขี้หมามันกินมนุษย์ต่อที่นี้ฉลากมนุษย์ฉลากแบบลบล้างความกินต้องกินขี้หมาทั้งที่เราไม่กิน ม, มันชอบนั่งอยู่แบบไนกรรมของมันการสอนเรื่องความฉลาดฉลาดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นี่เลยเป็นของมีอยู่นั่นเห็นแต่ข้ากี่เนี่ย โรคมีอยู่โกรธมีอยู่หลงมีอยู่เป็นคู่เคียงกันกระ บ, บาบกระบุนทำมีอยู่นั่นวะ่าไงคํามโรคความโกรธความหลงเป็นฝ่ายทั่วทําเป็นฝ่ายดีเป็นเครส้นแจ๊ที่เล็กนะ่ะมันมีเป็นคู่เป็นคู่กันอย่นี้ปฏิเสธไปได้ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าเราไม่มีใครเคยโรคไหมสงสัยได้ยังไงใครยโกรธไหมสงสัยได้ยังไงมันมีอยู่ทุกคนใครหลงไหมเคยหลงไหมสงสัยได้ยังไงนี่ แล้วทำแก้คํามลกคําปตกคํามหลงนี้เป็นอย่างหนึ่งเรายังไม่เข้าใจเพ่าะเราไม่ราว่าทำเป็นอย่างไรนอกจากผู้เหนือเราเท่านั้นจึงจะสามารถนำธรรมนั้นมาแก้กลิ่นลางมกโสกตกท่านนี้ได้แล้วประกาศสอนให้โลกทัานหลาดทราบทุวันนี้ที่เรียกว่าศาสนธรรมหมายถึงน้ําที่ชาสําหรับชาล้างที่ที่โสกตกอยู่ภายในของวัตถุทั้งสนั่นเองแล้วมีไหมสิ่งเห่านี้พี่ก่ามาทั้งหมดนี้แลเราปฏิเสธได้มาแล้วถ้าทําไปเกิดอันนี้ไม่ได้ประฏิเสธบากบุญได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มัน มันเป็นเรื่องของบาปบุญทั้งนั้นกรรมคำว่ากรรมห ม, มายถึงการกระทคิดตุงมทางจิต ใ, ใจดีทั่วกลางๆนีเรียกว่ากรรมทั้งนั้นนั่นผลเกิดขึ้นจากความคิดความตงุงเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะปฏิเสธวิบาก ค, คือดีชั่วสุขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดตุ้มดีชัว่วนั้นได้อย่างไรมันเห็นที่ขะนธ์หนึ่งเนี่ยดูในตัวของเรานหนิเราจะรอบไปรอบตัวของเราไอ้ที่ทำลายบาปบุญทําลายฐาธะทาธรรมทําลายตัวของ ต, งตไนไอ้ที่ทำลายที่ไหนเราจะเอาความ วิเศษวิโสมาจากั้นในการทำลายสาธนาทางนี้ทำลายความิซึ่งเป็นการทำลายตรงผมพยายามสอนทุกนี่ทุกมุมอยากให้หมดผลมีความเปลรดระดบละเอียดมากนะพิเรศนะอโหนี่ยเ้อสติปัญญาเป็นของสำคัญมากยาเห็นว่าเป็นของเล่นนะผมสอนอยู่ทุกระล่เวลาไม่เคยกลจาวเรื่องของสติปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเส้นเอาตายก็ตายเถอะตายในวงความภาพเย ไม่มีใครกุศลาแล้วความฉลาดของเรากุศลาเราเอนแล้วก <sh ุศลาดแล้วความฉลาดเราจะไปหวังนึงเราจะให้มีใครมากุศลาสัมมาอาวุโสธรรมมาเตาหูลงไปนั่นแหละเอาความจริงดับมันลงไปนี่ความโง่อยู่ตรงไหนฮะคลิดความฉลาดขึ้นมาเอาความฉลาดนักแก้ความโง่แก้ความโง่ได้เป็นน้ำดำๆนัล้วนั่นแหละที่ว่าเราท่องกุศลาได้โดยมแบบแก้ความโง่หมดจากหัวใจแล้วนั่นหลังมหากุศลาจอมฉลาดอยู่ที่นั่นเจ้ที่นั่นถ้าตื่นอะไรตื่นโลกตื่นทุกสาร ขนบธรรมเนียมอะไรๆว่าอันตายโดยมหาความจริง ท, ทําเปนะ็นพิธีกันไปนั่นตายที่ไหนแห่ลั น, นตาบุตรลาทํามนาบุตรลาธรรไม่สนใจบุตรลาร ม, มาความจะหลักที่จะแช่ไป เ, เราที่จะพูดตรงๆเมื่อเราตายนะฮะนิมนต์ข้านักุตลาให้ท่านลําบากนะเราบอกตรงเลยนะเราพูดมาแล้วทงังผมแล้วเราพูดด้วยความจริงด้วยความอาบหารไม่จะพูดด้วยความท้าทายผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้ เราพยายามสร้างกุศลาธรมมาขึ้นภายนจิตใจคือความฉลาดสร้างสติสร้างปัญญาศรัทธาความเขื่อนขึ้นมาแก่ตัวไหนมันโง่ที่เหลือทุกตัวมันเป็นเรื่องให้เราโง่ทั้งนั้นแต่ตัวที่เหลืมันฉลาดเพราะท่านจึงแก่เรื่องให้เราโง่นี้ออกไปอแกไปเราก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นมาด้วยองกุศลาของเราระวังแต่มันจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วกุศลาไม่กุศลาไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรอนั่นเป็นเรื่องสมมุติเนเื่องต่งหากขอให้ตัวกินบริสุทธิ์เถอะอยู่ไหนอยู่ได้ทางไหนตายได้หมดเลย เรื่องห่วงพยาเรื่องความเป็นความตายเป็นของธรรมดาธรรมนั้นเหล่านี้ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเลยนะขอให้เรียนถึงความทีิความตายไม่เมีความหมายอะไรมันตั้งหนขึ้นมาตามเรื่องสมมุติของควาเกิดอยากเกิดจะไม่อยากตายเป็นไปได้หรือยากเกิดกับอยากตายมันก็เป็นแันเดียวกันออกมาจากเงื่อนเดียวกันความเกิดเป็นสาเหตุให้ให้ตายถ้าเราไม่อยากเกิดถ้าเราไม่อยากตายก็พยายามแก้ไขยามมันเกิดออกมาให้หมด ต้นมันมีอยู่แเ้วจกระดัมได่างไรันก็ต้องตายต้นเห็ุมันคือเกิดตายเป็นคู่เพียงกันซึ่งเป็นผลออกมาจากนิบากอันนี้ที่เกิดมาแล้วแน่และแจ้งหัวใจซึ่เป็นตัวพืชสาคัญตัวเชื้อสาคัญมันจะขอพกขอกําเนิดต่อไปอีอัตภาพนี้อย่างไงก็เท่านั้นแหละแก้ไม่ได้แก้ให้มันตายไม่ได้มันเกิดมาแล้วนี่เป็นนิบากเห็นชัดเจนคือผลของวัตตะผลของที่เล่มันสร้างวัตวนให้สัตว์โลกสร้างกองทุกข์ในร่างกายของสัตว์นี้ ส่วนไหนที่มันหาความสุขนี้ได้ น, นี่แหละมีไหมไม่เห็นมีว่ามีความสุขความสุขมันสุกที่ตรงไหนเดี๋ยวว่าร่างกายผมพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นมีนอกจากอยู่ธรรมดาธรรมดาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ธรรมดาแล้วก็หิว น, น, นั่นหิวนี้<อ>เจ็บนั้นปวดนี่เวลาไม่เจ็บไม่ปวดปกติก็ว่ามันสุกมันไม่ได้สุกมันอยู่เฉยธรมรมดานี่คิดต่างหากเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ถ้าคิดอยู่ไม่เป็นสุขคิดก็เป็นทุกข์คิดทุกข์สนมันนั่นมี่เรื่อย ท่าหน้าท้องพิเดมันถุดมัน拉ไปให้ยิดให้ปรินให้เกาะให้เกี่ยวให้ยึดให้ถือให้จับนั่นจับโน่นจั บ, น, น, จบนี่ไฟอะไรไม่ว่าละซึ่งเป็นต้องนะั่งที่เด่นนะั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นลากษัตริย์ลงตจงลงไปโดยลำดับนะถ้ามีคำสื่อลากขึ้นมาไม่ได้เพราะจริงช่างทำเพื่อให้มันเต็มติดใจพิจารณาอะไรมันจริงดิดูอะไรให้ดูจริงด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อกับนั่นจริงๆอ่ากําหนดทางกายส่วนไหน ท่มันเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นนะอทุภะท่านมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่หมดทั้งตัวแต่เราไม่ดูสติมันเลื่อนลอยจิตใจมันเลื่อนลอยสติมันขาดข า, ข า, ข า, ขาจมๆไปปัญญาก็ไม่มีนอนจมไม่ทราบหรือหน่อยปัญญาได้ยินแต่ชื่อแล้วมันจะมารู้เห็นของจริงคือคำว่าปฏิปุณได้อย่างไรทำไมรู้เห็นด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติมีใจมันพูดทํางานแล้วไม่มีทางรู จำนิเฉยในึ่งจำจบไกลไปดกม่เราไม่ประมาทจบข้ไกลไดกก็ได้จากความจำความจริงไม่ปรากฏในใจพาไม่ออกทางภาคภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นพิญญาตจริงต้องมีปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลต้องการปฏิบัติที่คือปฏิเวชนะพิญญาตในการศึกษาเห็นเราเรียนจากอุปราชเตษาลงมานะคะตัตโตนั่นคือภาคพิญญาตเรียนแล้วจากนั้นเราดูนั้นคือที่ันที่น่เรียนไปเรีรู้วิธีการดำเนินมีเรียกว่าพิญญาปฏิบัติขั้นตอนวาอย่างไรเอามาดาเนิน เจยอขาลงมาน้า่นตยตัวทจำไ้ท่านจาให้ให้ทาอะไรจาให้มาพิจารณางานดูพิจาราเจือายังไงลงมายันไอะไรขนาดใจไม่ว่าแต่เจอขาลงมานขาท่นายตทเนื้อหนังกระดูกตัดตไสุ่้งยังไงดูไปเถอะมันเป็นธรรมฐานทางนั้นแหละรู้ให้มันเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันจะย็ได้ยังไงจิตเนี่ยเงิู้จาราเป็นจริงมันปล่อยเองอุปทานมันจะฝังลึกยิ่งกว่าอะไรก็ฝังเถอะ ถอนขึ้นมาเองมันมีอะไรที่จะลึกยกว่าปัญญาปัญญาตามขลข้นขึ้นมาได้ไหนะอย่าทำํำดุ่มกัมดมดนดอนทํารับแต่ว่าทําวัาวานหนึ่งคือหนึ่งทำแล้วไม่เห็นเรื่องเลยหรือเอาอะไรไม่มีความจมใจตั้ง อ, อกตั้งใจมันแท้ไม่ได้นักใจพิเลรนฮาตายก็ตายตายด้วยการพระพุทธปฏิบัติทำนี้ ทุกลำบากลำบนมาโลกก็เคยทุกมาแล้วเดียกันดูที่ไหนมีต่ปา่าช้าเป็นบ้านเปนเมืองแม้อยูในเมืองก็มีปัดช้าระหว่าไห่เมนเราไม่เห็นมีเมนในโรงพยาบาลเป็นป่ดช้าเราอยู่าันใโรงพยาบาลเป็นเครื่องรักษาคนได้หายโรคโดยถ่ายเดียวหรอคนตายในโรงพยาบาลมีมากยิ่กว่าที่อืนอ่นระหว่าเมื่อมันทนไม่ไหวรักษาไม่ได้มันก็ตายตายแล้ ว, วยกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันดูเฉยเตียงหนึ่งหนึ่งมันคนตายสักสกี่สิกี่รอยคน ถ้าเราที่าตามความจริยงยรงพยาบ้านก็คือป่าช้านั่นเองมึอคนไม่ไหวเสื่อนไม่ไหวแล้วมันก็ตายตายแล้ก็ออกมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่ฮาคนนี้หาดมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่อาการตายแล้มันผัดมันเกี่ยงมาอยู่ยนี่ว่านั่นแหละคือป่าช้าดูเอาออกนั้นก็นมาเผาตามเมรุตามป่าช้า ต, มตามในป่าที่ไหนก็แย่แต่จะมีป่า ช, ามมาาช้าอยู่นั้นแหละดูมันเห็นชัดเจนเลยนี่ละคะความจริงมันเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนดูที่ไหน ถ้าดูก็ัความจริงมีความจริงเต็มโลกเต็มมังสาลเพราะอย่างนี้ในโรงพยาบาลนะเด็กตรงนี้ยังทุงพภาพตาประจักใจเดินก็ไปโอ้โหเสียงเป็นแถวอยู่มีแต่คนจนกอบจมุงคนจะลจะ้ลลมจะตะายล้องคลังลาอาไม่เด้สติสครั้งก็มีเดินผ่านหน่าถรดสังเวชใช่ว่าวไงนั่นนั่นมันดียังไงนี่เอายนเร่ตายตาย่าอยนะ่างนั้ เผากครั้งมันตายใจไม่ตายที่บ้านกลางสิสัสมันกระจมมันลงไปแต่สลายลงไปแต่ใจมันไม่สลายที่มันก็ประกอบกําเนิดเกิดอีกอวิชาปัจญาสร้างขาราสร้างคาราปัจจยาวิมยานั้นิาณาปัจยานามารูปางนามารูปยาสราลิขณาสราริขณาปัจจยาพัโตปัทพัทพยานเรณาหรือหนปัจจยาตันห้าพันหายาปานังปานาปัจจยาโทพรปัจจยาชาติหนันเห็นหมนัง ออส่วนใาญได้ถึงขย า, ายมาขย า, ายมาถึงกันเนี่ยถ้าติดปัญยารรจะรามาลาโชคกลับไปเร็วุดยรวมใ น, นสุปายาชาซ้ำพวันต <c> ิอ <oughs> อืืเหล่านี้เป็นเรื่องมาจากสมุทัยทั้งนั้นนี่เวลาแป่แล้วนะคือต่อสืบต่อแขนงมาจากอาวิชาเป็นต้นเหตุเลื่อยมาจนระทั่งถึงชาติติผิวข้าศลามผิว้ามานำผิวข้างโชคกลับไปเร็วโดยรวมใ น, นสุปายาชาผิวข้า เอวเมตาเาาตาเกวราตุกะขั้นเทศชุมตะโยโหเตยน่นเราเกเวลาลังจิตวิบเราทั้งกวงนี้น่ะที่สืบเนื่องมาจากอวิชชาตนกรทั่งถึงสุดพานี้เป็นเรื่องของสมุทยัยสืบเนื่องมาจากอวิชชาภ้า<ม>นั่นนี่สาเหตุที่จะทําให้สารโลกเกิดมันอยู่ในหัวใจคนทุกคนแต่เราไม่ดูนี่จะไ ป, ไปรูปกับคำนอกๆตายแล้วศูนย์หน้าศูนย์อันนี้มันไม่ได้ศูนย์อันพาให้เกิดนี่อวิชญาภิยะทั้งขาราถ้าอวิชญาภญยะ สร้างขลันี่มันสูญแบบวิชายตเววาเทศสมอาการนี่โรธ่าสร้างข้ารานโรสร้างข้ารานีทับแต่วบิญญาณานี่โถเลื่อยไปยกระช่างถึงชาติปีกิวข้าจาราปรขนมานำปรือขั้นเข้ากับเปเือขั้นกลงนรปาชาติปรืข้าเอางั้นกันเอวเมตตาจิตเวลาเรขั้นเนโรโตโมติหนาทั้งหมดนี้พอวิชาตัวเดียวเท่านั้นดับไปตายไปเป็นนิโรธคือดับทุกโดยประการทั้งปวง มันอวิชาปัญญาท่านว่าอนั้นนี่แหละหลักเกณฑ์ของสัตวโลกเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ไม่เหนือจากนี้ไปได้เลยเราปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นเราหาที่ค้านไม่ได้เราพูดอย่างอาถรรพอวิชาปัญญาตัวอวิชานี่เป็นตัวสําคัญมากเวลาปฏิบัติไปตีกระรองเข้าไปกระร่องเข้าไปตัดกิก่งก้นลาบห้อยลาบอะไรก็้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรากแก้วก็คือตัวอวิชาถอนผู้วัดขึ้นมาเพียงเท่านั้น ต้นไม้ต้นนี้ตายไม่มีเหลือมันจะเหลือสีเหลือกี่ขนาดนั้นมันจมไปด้วยกันหมดถ้าเราก็ถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วหาทางจะเดินมอ่งงามปีกไม่ได้เลยนั่นมีข้อเทียบเท่อวิชชาก็เหมือนกันเมื่ออวิชชาจะตะเวอเทเสวะราเดีก็หมดไปเรื่อยๆพออวิชชาดับอนั้นก็ดับอนั้นก็ดับอนั้นก็ดับดับดับดับับเรื่อยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอวิชชาเดินยอนเป็นเหตุนั่น นี่แหละหลักเกณฑของวัฏจักรถ้าหาว่าใครจะลบล้างวัฏจักรคือความตายแล้วเกิดไม่ให้เกิดต่ออีกเพื่อจะไม่ให้ตายต่ออีกแล้วให้ลบล้างต้นเหตุนี้ให้ได้อวิชาปัจิญาทั้งผ่านนี้ซึ่งมีอยู่ในหัวใจถ้าลบล้างนี้ไม่ได้จะไปเสียเท่าไรก็ตามว่าตายแล้วสมญไม่มีทางเกิดได้ก็คือผู้นั้นแหละผู้ที่เป็นนักเกิดนักแบกสามของทุกที่โลกทั้งหลายเขาไม่แบก หนักยิ่งกว่าผู้นั้นผู้นั้นจะหนักยิ่งกว่าใครทั้งหมดผู้ทีสําคัญหน้าตาและหุ่นเพราะไม่ได้คิดหน้าอาหลังอะไรว่าพบหน้าจะหน้ามีอยากทำอะไรก็ทําทําตามใจชอบทำตามใจชอบก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันจะอาทําดิบทําดีได้ยังไงมันก็ทำตั้งแต่ความสัทธาละมกขนคือความทุกข์ทรมานทั้งหนใครจะเป็นผู้แบกผู้หานถ้าไม่ใช่ผู้ทำใครจะแบกนั่นแหละผู้นั้ น, นจริงว่าจะแบกหนักที่สุด เราเป็นนักปฏิบัติให้พิจารณาตรงตรงนี้อย่าลืมตรงนี้ใครจะว่าเราจะ ต, ตามยาหลงบ้ากับเรื่องบ้าของคนของโลกที่มีกิเลสหนาแ น, น่นในหัวใจถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสทุกพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องอวิชชาปฏิญาโดยที่พระเจ้าทรงเคยเป็นอวิชชาปัญญามาแล้วอวิชชาปัญญาเคยครอบพระไตรปูลมาเป็นเวลานานจงสามารถทานัตได้หมดโดยกิเลสไม่มีเลย่นะจึง สามารถประกาศทำสอนโลกได้อย่างไม่จะทกสถานมีหลักประกันไม่ให้เกิดอีกคือวิชชาปัิยาในขณะที่เรายังในเวลาที่เราปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องสิตเรื่องาจนี้มันก็ซ่านไปหมดนั่นแหละความรู้มันเหมือนหมดอีกมีทั้งตัวในศาสร์จะยึดเออะไรเป็นความรู้อะไรเป็นใจอะไรเป็นกายมันก็พ่อประหมดแบกหมดทั้งกา ย, ายาว่าเป็นตัวว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นใจ เมื่อานาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปความสงบกายตาทิฏะภาวนาก็ค่อยๆตะล่ำตัวเข้าไปตะล่ำตัวเข้าไปจิตมีส่วนสงบจิตมีความสงบจิตมีความสงบเด่นดวงนะฟังซิเป็นั้นท่านไปเมื่อเด่นดวงลงไปแล้วก็ทราบเลยชัดพอต้องควรตามขั้น ข, ข, ของสา ม, มาธิเพียงขั้นนี้ก็ทราบได้ว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแล้วทราบแล้วโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ภาบจากหลักภาวนาที่เป็นหลักรับรองแล้วนั่นเอง หลังจากนั้นพิจารณาทางด้ า, า, านปัญญาแยากธาตุแยกขังออกให้เห็นตามความจริงข้ามันหนึ่งอ น, นิจจังสองทุกขงงงังสามนราตาแต่และชิ้นอันของร่างกายนี้มีอ น, นิจจังทุกขงกังนราตาครอบรบครอบครบครบสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะหนักในทางนิจจังกว่ตามทุกขังกง็ตามนราตาก็ตามมันเป็นไปพร้อมกันในแต่ละทั้งสามโดยสมบูรณ์เราถ น, น, น, นัดในการพิจารณาไปให้มันยังทราบความจริงถึงใจนั้นเถอะ กิเลสมันจะจมลึกขนาดไหนมันถอนออกมาได้หมดนี่ขั้นปัญญาตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวยงกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรเพื่อปัญญาทราบชัดทราบชัดตัดเข้าไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยเรื่อยทีนี่ทัศนคิี่เป็นเพียงว่าตะล่ำสุดเข้ามาสุดส่วนรวมหรือตะล่มกิเลสเข้ามาสุดสุดสุดส่วนรวมแล้วปัญญาผู้แยกแยะเป็นผู้ที่คลาเป็นพูกฟาดฟันหันแหลกกันลงไปตามประเภทของกิเลสและประเภทของปัญญา มันมีหลายประเภทนี่ปัญญาเจลีตขั้นดาษปัญญาก็มีทังขั้นดาษอาัขนานกันไปขั้นหนักมันไปขั้นกลางขังข้นละเอียดละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามตามมันไปมันก็ทันกันไปคำว่าเจลีละเอียดคือนั่น ก, ก็คืออวิชชาท่านเองปัญญาที่ละเอียดสุดก็คือมหาสิมหาปัญญาทาันกาและ้อนออกหมดไม่มีสิ่งใดหงเหลือพันธุใจเลยนั่นแหละที่นี่ ทราบชัดไม่ต้องไปถามใครสาธุพูดไม่จะ่โอมใช่หรไม่กระมาแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ทูลถามท่านจะทูลถามท่านยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็สอนอย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้ได้จะไทูลถามท่านหาอะไรกระมวลเกี่ยวการรับทานเมื่อต่างคนต่างรับทานครูก็รับทานนักเรียนก็รับทานเ้าพูดถึงครูกับนักเรียนรับทานร่วมบงกันแล้วเราจะไปถามครูได้ไหมการรับทานความอิ่มมันเต็มที่เหมือนกันไม่วัาเด็กมว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องถามกันนะนี่ เรื่องความกินมันเหมือนกันไหนีเยังไม่ต้องไปถามกันเพราะมันเหมือนกันอยู่แล้วผมก็ ว, ว่ามั น, มนกินมันจังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยเราอย่าเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมที่เราจะพึงได้รับผลในขณะเดียวกันทึ่เป็นต้นเหตุเราจะเห็นอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งประกอบของทุกที่ครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะครอบดึงผ่าดึงขันครอบหัวใจอราเป็นของสําคัญ แก้ลงที่ดวงใจ้งเอาให้จริงจังสติตั้งปัญญ า, ญญาหมุนตัวไปเวลาพิจรนาพิจนาให้มันจริงมันจังอยากทำแล้วหลอกเลยแหละเาทพนิยา่าไม่ใชคนหลอกเนี่ยเอาให้มันจริงจังเมื่อเห็นอะไรรู้อะไรให้มันถึงใจทุกอย่างถึงใจทุกอย่างถอนไปถอนไปเรื่อยๆจนมระทั่ง ม, มันมีนสิ่งใดเดือดข้ออำนาจของความเพียรเนี่ยสําคัญมากมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือ่งสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นจะรู้ที่ใจนั่นเอง มันมีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าใจไม่มีอะไรที่จะแย้มคมยกว่าสติปัญญาที่สามารถจะรู้ได้เมือนรู้ถึงเหตุถึงผลเต็มเหตุเต็มผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็สมบูรณ์เหมือนใจสมบูรณ์แล้วหมดความบกพร่องต้องการอะไรในโลกสามนี่ไม่มีอะไรต้องการอยู่อย่างอิสระเสลยแม้จะอยู่ในขันถ้าขันจะมีความทุกข์ความลำบากทรมานด้วยโรคภัยภัยเจ็บประการใดก็ตามก็รับทราบมันไปเท่านั้นเหมันมีความดีใจเสียใจ อันมีความปยึดไปถือไปกังวลมึนวายอะไรกับมันเพราะก็ทราบแล้วว่าร่างกายของเราทั้งร่างนี่นะมันมีดินน้ําลมไฟเท่านั้นเองเอ่าใจมาอาศัยดินน้ําลมไฟนี่อยู่เหตุได้จึงจะไปยึดเอาดินน้ําลมไฟมาเป็นตัวละ่ะนั่นมันเห็นชัดเจ้าธาตอย่างนั้นเช่อันนี้ธาตุดินอันนี้ธาตุ น, น้ํามี้ธาตุลมอนี้ธาตุไฟ น, นี้เป็นอากาศธาตุแน่อนนี้เป็นมโนธาตุแน่รู้กันยังกันทันแล้วก็จะไปยึดไปถือกันอะไรกังวลกันอะไร ไม่งั้นก็ไม่จะเรียกว่ารู้ชัดได้ยังไงเมื่อไปกังวลก็จริงจรานั่งอยู่มันเรียกว่ารู้แจ้งแจ้งตลอดนี่มาแล้วมันจะไปก็ไปดีเออเรียนจบหมดแล้วนี่เรียนทำมา ก, กว่าเรียนเรื่องเกิดเจ็บตายเนี่ไนงะจะเรียนเรื่องอะไรรู้เกิดเจ็บตายก็คือรู้ธรรมเมื่อรู้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ทั้งเดินอยู่ปกติทั้งเย็บแผลได้ป่วยทั้งที่มันจะตายเอ้รู้ทั้งทันทุกอย่างราบตัว ป้าจ้าไม่มีนะิดนี่มีก็มีแต่ปัจจัของกายตายแล้วก็ไปไหนไปเถอะเห็นผิดแปลอะไรถ้าดินน้าลมไฟเดินไปกระเ ย, ยบดินเยยบน้ําลงไไปอยู่แล้วในตัวของเราดินน้าลงไฟถ้าอันนี้เป็นอักจริก็ดินน้าลงไ ฟ, นนนนงไฟทั้งหลายอัศจริจะเท่ากันเองพงามันเห็นความจริงเสมอการงานเลอาหุ่นเรองเขาเริงเขาเลยถงนี้อะะแค่นี้กอธรรมัญญาที่บา